ไอ้จิตใจที่มันครูกควบคุมอยู่เสมอไปนั่นนะ <c oughs> ่ะเรียกว่าพูดง่ายๆว่าใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั่นเองแหละ <c oughs> เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้ว <c oughs> การทำอะไรพูดอะไรออกไปมันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลไปทั้งนั้น <c oughs> ไม่ได้เป็นบาปเป็นโทษนี่นะ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 เนียว่าสอนใจของตัวเองให้รู้เท่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นตามเป็นจริงถือว่าทุกนั้นเป็นเรื่องของสังขารพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าสั้างขาราประมาดูข้าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งนี่แหละคําว่าสังขารหมายถึงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี่นะสิ่งใดก็าตามเ่ยจะมีวิญ ญ, ญาณคลองก็ตามไม่มีวิญญาณคลองก็ตามเมื่อมันอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสังขารคือ ส, ส, ส, ส, ส, สิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง <ving. S 1> อันนี้แหละเรียก ว, ว่าสังขารทั้งหลาย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 ความแปลปวนของร่างกายนี้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมถะวิปัสนาคือฝึกกิจได้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเมื่อมันรู้มันฉลาดแล้วมันจะได้รู้เท่าความแปลปวนของสังขารดังกล่าวมานี้เแล้วพร้อมกับเบื่อาน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 เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เบื่อหน่ายมันเป็นอย่างนั้นแต่พิจารณาเอาจนมันเบื่อหน่ายนะถ้าหาว่าพิจารณาไม่ถึงความเบื่อหน่ายแล้วยังไม่ได้ผลเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าพิจารณาเห็นไปเรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ได้เกิดความสังเวชสลดใจแล้วเบื่อหน่ายเลยอย่างนี้ จิตใจมันก็ไม่กระตือรือร้นที่จะหาทางค้นไปอืต่อเมื่อพิจารณาลงไปจนว่ามันเกิดความสังเวชสลดใจและเบื่อหน่ายสลดใจอะไรสลดใจว่าตนนั้นน่ะหมายถึงดวงขีดนี่แหละได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงนี้นะ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 เพื่อย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยเว้นเสียแต่ว่าไปปล่อยให้กระจกนั่นมันถูกขมเมาออมาจับเอาเกิดกลังไปแล้วเส้นนี้มันก็มัวหมองจะไปมองดูหน้าของตัวเองไม่ถนัดเลยเพราะว่ากระจกนั้นมันเศร้าหมองไปเพราะมันมีทุลีและองคมาจับเกิดกลังเข้าไปอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ถ้าปล่อยให้กิเลสอวิชชาตัณหา มันหุ้มห้อมมากๆเข้าแล้วมันก็มืดแปดด้านเลยไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตให้เกิดทุกเลยแล้วไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อในทุกไม่เบื่อในทุกก็คือไม่เบื่อในขันห้านี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นขันห้านี่แต่ะเป็นก้อนทุกนะเพราะฉะนั้นจังว่าเมื่อไม่เบื่อในทุกก็ชื่อว่าไม่เบื่อในขันห้า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 ในไรโมนี่นะนี่แหละเรื่องของทุกข์มันเตือนจิตอยู่เสมอเสมอแต่ว่าจิตของคนเรานี่มันไม่ตื่นเรื่องมันนะเพราะปล่อยให้โมหะครอบนาเอาเสียชนมืดมนเหมือนอย่างกระจกสองเงาหน้าไปปล่อยให้คขมเอามันจับเอาซะจนว่าเ ก, กิดกลางเวหมด <c oughs> มันก็เลยสองเงาหน้าของตนไม่เห็นถ น, นะอันนี้เหมือนกันแหละ เมื่อใจนี่ ม, นมันมัวมองด้วยอุปคิเลสดักล่าวมานั่นแล้วมันก็มองตัวเองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าความจริงของตัวเองเป็นอย่างไรอ่ะอืตัวเองมาอาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นยังไงอ่ะอไม่ได้ไม่ได้วินิจัยแล้วคนหลงคนเมาอ่ะเป็นอย่างนั้นไม่ได้วินิจัยตัวเองเลย แต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยปล่อยแห้จิตให้ลอยไปตามกระแสะของกิเลส น, น่าสงสารคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านกับช่องเ อ, อเมื่อลูกสาวลูกชายได้ได้หลานมาได้ลูกมาเนะี่ยก็เป็นหลานของยายเ อ, อเป็นหลานของย่าของปู่เป็นหลานของตาเอาแล้วปูย่ย่าตายายรักหลานแล้ววันนี้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 สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาสมาธิแล้วได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้อถึงแม้จะสมมุติว่าหลานของตนลูกของตนแต่มันก็ไม่หลงมันก็รู้ว่านี้เพียงแค่สมมุติเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงถ้าพูดถึงเรื่องจริงแค่แล้วก็มีก็เรียกว่าสังขารดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละสังขารแต่มันเกิดขึ้นนะด้วยเหตุปัจจัย คนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพราะอาศัยอวิชชาตันหกรรมนั่นแหละนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผู้หลงก็สสำคัญว่าลูกเราหลานเราเหลนเราอะไรหมนี้นะอ่าก็เลยผูกพันอยู่ในของหมู่นั้นที่จริงแล้วไปผูกพันอยู่ของอยู่กับของไม่เที่ยงอ่า เช่นนี้แหละจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วดังนั้นคนแก่บางคนน่ะเข้าวัดก็ไม่ได้ห่วงเตหลั่นกลัวหลานจะลําบากกลัวหลานจะไม่ได้อยู่ได้กินกลัวหลานจะไปตกเรือนตกซานอะไรสารพัดแหละห่วงหลายเลยไม่มีโอกาสทจะได้เข้าวัดฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะเสวงหาทางไปสวรรค์ทางไปพระนิพพานเลย อันนี้จึงว่า น, น้าทุเล็หลายนี่นะ <c oughs> อันสําหรับพวกเราที่ได้สละบ้านเรือนมาชุมนุมกันฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนอย่างนี้ได้ชื่อว่าพ้นจากข้อตําหนิดังกล่าวมานั้นได้เลยทีเดียวออเไม่ได้ถูกตําหนิว่าห่วงลูกห่วงล้านห่วงบ้านห่วงช่องเอ ก็นับว่าน่าชมน่าสรรเสริญได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาบรารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ชาติก่อนนน่นมากพอสมควรบุญบรารมี น, นั่นแหละมากระตุ้นเตือนใจให้เกิดความคิดนึกขึ้นอมองเห็นความทุกข์ในชีวิตของตนได้อาศัยบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นเนอะ เออให้ไปเข้าใจว่าอย่างอื่นมาโดนใจของตนนะบางคนเข้าใจว่าเทวดานั่นมาโดนใจเพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่นะโอ้ยเทวดาเดียจะไปเที่ยวดนใจคนทั้งโลกอันนี้เทวดากเหนื่อยแย่อ <c oughs> ไม่อยไหวหรอกบุญกุศลของใครของมันนะ่ะสร้างเอามาแต่ก่อนนั่นเออมันติดสอยห้อยตามมา มันมาปลุกจิตใจให้ตื่นมองดูตัวเองเนี่เ อ, อเกิดมาแล้วก็ทำนุดสุดสมไปทกวนันถุกเวลาไปเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทำมาหาเลี้ยงรับประทานแสนยากแสนลำบากคนมากขึ้นเท่าไรการแสวงหาเลี้ยงชีพก็ยิ่งอาจจะคัดขาดแคลนยิ่งลำบากออคนมีบุญน้อย ยิ่งจนลงหาทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ได้มันไม่ทันกับคนที่เขามีบุญมากเขามีปัญญา<ม>เขาครอบงำไปหมดเลยอาชีพต่างๆคนจนคนบุญน้อยนี่ต้องได้ไปเป็นลูกจ้างเขาต้องให้เขาบังคับบัญชาข่มขู่ทรมานกายทรมานใจอยู่อย่างนั้นนะอ่านี่ลองคิดดู คนบุญน้อยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากมีบุญน้อยคนเรานะสร้างบุญให้มันมากมากอ่ามันจะได้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านั้นถ้ามันเกิดอีกมันก็จะเกิดดีมีอิสระเสรีอ่าบุญกุศลที่ตนได้ทำมามันจะมาอำนวยผลให้ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตนี่ผู้ที่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 แต่มันจะมาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่านะมันไม่ได้ในให้เข้าใจให้มันถูกต้องอย่างนี้อันร่างกายนี้เป็นหน้าที่ของบุญเก่ามันกระทำมามันตมันสร้างมาแล้วมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว้นี่เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงไม่สามารถที่จะมาดัดแปลงตกแต่งร่างกายนี้ให้มันเป็นไปตามประสงค์ได้เลย มันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นนะเราต้องวางใจลงไปอย่างนี้มาปรับปรุงคิดใจนี่ให้มันดีขึ้นนะส่วนร่างกายนั้นเราก็บำรุงมันตามฐานะเท่าที่จะบารุงมันได้นั่นแหละส่วนจิตใจนี่เราสามารถบารุงได้เต็มที่เลยจิตใจนี่มันไม่ใช่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 นั่นแหละทีนี้เมื่อเราฝึกกิตนีให้มันตั้งมั่นลงไปอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้ตั้งมั่นอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วอย่างนี้แม่ร่างกายนี้มันจะวิบัติแปลโวนไปยางไรจิตนี้มันก็ไม่แปลโอนไปตามแล้วบัดนี้นะมันมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วนี้เอะมันมีคุณพระพุทธธรรมประสงค์มันมีบุญกุศลความดีที่ตนทามานะ่ะ มีความบริสุทธิ์อันนั้นเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้ววะนี่เมื่อมันมีที่พึ่งกันดีอย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่วันไหวเลยอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ได้อาศัยอยู่ในป้อมในค่ายอันแน่นหนาแล้วอย่างนี้นะแมื่้าศึกจนยิงมาแต่ในสี่ทิศมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไหวไม่หวาดกลัวเลยอะเพราะว่ามันอยู่ในป้อมอยู่ในค่ายอันหนาแน่น ลูกปืนก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปได้อย่างนี้แหล ะ, ะผู้ที่อาศัยอยู่ในป้อมในค่ายนั้นจึงไม่ตื่นตกใจอัอนนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลใดมาสร้างคุสนคุณงามความดีสร้างคุณพระศีรัตตะไกลนี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตของตนแล้วจิตได้พึ่งพิงอาศัยบุญคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่แล้ว ก็ย่อมไม่หวั่นไหวต่อความวิบัติแปลปวนของร่างกายไม่หวั่นไหวต่อภัยพิบั ต, ติต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่สภาพร่างกายนี้เพราะว่ามันเมื่อบุญกุศลบังเกิดขึ้นในใจแล้วนะ่ะมันทำให้มีปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละมันทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงนี่อนุภาพแห่งบุญนะ ไม่ใช่อย่างอื่นให้เข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาก็แล้วกันแหล ะ, ะนั่นแหละคนมีปัญญาก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเบื่อบุญนะให้พากันชอบใจในการสั่งสมบุญกุศลผู้ที่จะมีปัญญาได้ต้องอาศัยการสะดับตรัพังเป็นพื้นเลย พอใจในการที่คล้านดูสำหรับตำราแล้วไม่มีปัญญาคนเราอ่ ะ, อะที่คล้านภาวนาทำใจให้สงบระงับอย่างนี้นะอันนี้หมายถึงปัญญาที่จะดำเนินไปสู่โลกุตระธรธรมปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่นะแต่ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเราเรียนการสดับตรับฟังมุนี มันเป็นเหตุให้มองเห็นแนวทางปฏิบัติได้นั่นนะ่ะเมื่อมันมองเห็นแนวทางปฏิบัติได้แล้วมันก็ลงมือทำนั่นลงมือทำเช่นอย่างว่าการทำสมาธินี่ทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้น ะ, ะ, ะเมื่อได้ฟังเข้าไปบ่อยๆเขาก็รู้ว่าต้องทำใจอย่างนี้อย่างนี้ ต้องกำจัดกิเลสอย่างนี้จิตถึงจะสงบลงได้ถ้าหาว่ากำรรจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้จิตก็สงบไม่ได้อย่างนี้เมื่อมันรู้แนวทางอย่างนี้แล้วมั้ดังนั้นน่ะกระจงสอนใจของตนให้มันเบื่อมันหน่ายเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่เสมอเสมอไป ไม่ใช่อื่นไกลรถ้าพูดไปหลายเรื่องมันโกสฟั่นเฝือหลายพูดเอาตรงที่มันจะพอที่จะทำความเพียรประพฤติปฏิบัติไปให้ได้ให้คล่องตัวไปได้นี่ก็คงจะพอสมควรแก่ผู้ฟังเพราะว่ากิเลสตัณหานี่มันมีอยู่ในจิตใจของใครของมัน ใครจะไปหยิบเย็ยกออกให้ใครก็ไม่ได้ตัวใครตัวเราต้องกำจัดออกกำจัดกิเลสนี้ออกไปเองมันถึงได้ดังนั้นแม้ว่าเราจะแนะนำสั่งสอนกันอย่างวิจิตวิสรานอย่างไรอย่างไรก็ตามนะถ้าผู้ฟังนั้นไม่ลงมือปฏิบัติไม่สำรวมตนไม่ทำความเพียรให้ติดต่อกันไปอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะมาละกิเลส ให้วาวางออกไปจา ก, กจิตใจนี้ได้นี่มันอยู่ตรงนี้นะให้เข้าใจกันอยู่ที่ความเพียนเมื่อเรารู้จักแนวทางแลว้วเราต้องเพียนพยายามเ อ, อทําใจให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนํานั้นนะไม่ท้อไม่ถอยแล้วจิตมันก็รวมลงได้สักวันหนึ่งแหละสงบลงได้เอเท่าที่สังเกตมานี่คนส่วนมากนี่ทําใจให้สงบไม่ได้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 มีกําลังเข้มแข็งสามารถละกิเลสขาดจากสันดานได้ถ้าเขาว่าใจไม่ตั้งมั่นอย่างนั้นนะมันไม่มีกําลังเรื่องมานาใจนี่นะมันอ่อนเอมันสู้อํานาจของกิเลสไม่ได้อดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเอาทําใจทั้งนให้สงบให้มันหนักแน่นเข้าไปดังแสดงมา สมควรแก่เวลาขอายุติลงเพียงเท่านี้